ลงผลสุดท้ายก็สรุปลงไปว่าอาคาตาโรตถาคตาท่าตาทาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกพระองค์ยังออกตัวถึงขนาดนี้พระสาวกในปัจจุบันหรือจะพิเศษวิโสยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั่วมุ่งความสำเร็จในการปฏิบัติอย่างจริงจงังโปรดจะได้ปล่อยหรือหลงให้ใครสักคนหนึ่งมาใช้อานาจบังคับจิตใจของเรา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 แต่ถ้าอาจารย์องค์ใดจะให้กรรมฐานแล้วมาลงอัขระใส่กระหม่อมแล้วอย่าไปเอาเป็นเด็ดคาะถ้าเพียงแท่ว่าไปบอกฝากเนื้อฝากตัวขอเป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอให้ท่านสอนกรรมฐานให้โดยไม่ต้องเกรง อ, อกเกรงใจทางใดที่จะให้เราได้ดีได้ดีแล้วก็ขอให้ท่านสอนถ้าอย่างนี้เอาถ้าหากว่าเรา <c oughs>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 เราก็พยายามละเว้นจากการทำทั่วทำแต่ดีทำแต่ดีเรื่อยไปในเมื่อทำแต่ดีทำแต่ดีเรื่อยไปถ้าหากเรามีการทำสมาธิภาวนาเราสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ส่วนผลกรรมเก่าแม้ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วยังต้องได้รับเช่นพระโมกขลาเป็นต้น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 เมื่อเราบริกรรมภาวนาลงไปแล้วจิตของเราสงบเป็นสมาธิละเอียดลงไปลมหายใจก็ดับร่างกายที่ปรากฏอยู่ก็ดับเคอจิตไม่สำคัญมั่นหมายในลมหายใจและกายเป็นว่ากายไหลลมหายใจหายไปหมดยังเหลือแต่สภาพจิตที่สงบนน่งเด่นอยู่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 นำไปคิดพิจารณาเพื่อเป็นการบ้านในขณะที่ผู้บริผู้ทาสมาธิภาวนาหรือพิจารณาธรรมอะไรอยู่ก็ตามในขณะที่รู้สึกว่ามีกายอยู่รู้สึกว่ามีลมหายใจอยู่ทั้งนามในรูปปรากฏพร้อมหน้ากันเพราะกายปรากฏมีอยู่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 นี่นามโดยความตั้งใจโดยเจตนาอันนี้เป็นขั้นปฏิบัติภาคปรุงแต่งปฏิปทาคือข้อปฏิบัติแต่นักปฏิบัติจําเป็นจะต้องพิจารณาลูกนามด้วยความตั้งคิศพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิขึ้นมา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 หรือคิดคาดคะเนเอาเท่านั้นใช่ไหมข้อนี้ใช่ความรู้แจ้งเห็นจริงทั้งหลายทั้งปวงนั้นอาศัยการค้นคิดด้วยจินตาเดีรยวกว่าจินตามยปัญญาการค้นคิดการพิจารณานี้เป็นอุบายทําให้จิตเกิดความสง้เป็นาริงทําใหสติสัมปวนัญญะาีขึ้นแิ้วเมื่อามีสติสัม้แจิัญญะดีขึ้นประกัอากัยการค้นคิดด้วิ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 จิตอยู่ในลักษณะแห่งอัปปนาสมาธิเหมือนกันแต่ก็สามารถมีเครื่องรู้เครื่องเห็นภายอปรากรุดเคลนภายในจิตสิ่งที่จะให้จิตรู้สิ่งที่จะให้สติระลึกนั้นมีปรากฏอยู่แต่จิตก็มีอยู่ในลักษณะที่สงบเป็นอัปปนาสมาธิทีนี้อัปปนาสมาธิ <S <S ในเบื้องต้นนั้น <S 2> <S 2> เป็นแต่เพียงปฐมมจิต <S <S ปฐมวิ ญ, ญญาณมโนธาตุ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 ขอทราบเทียบเคียงได้ทราบอริยสัจสี่โดยสังเกตการสัง เ, ตเกตจิตที่ได้ทราบอริยสัจสี่อันนี้จะขอเปรียบเทียบกับประสบพการ์ซึ่งเคยผ่านมาในบางครั้งทกในอริยสัจเป็นทุกของสิ่งที่มีชีวิต จ, จิตใจ เพราะไปบ่งชัดอยู่ตรงที่ว่าโสกับพระฤเทวทุกขโทมนัตถ้าสิ่งที่ไม่มีจิตมีใจสิ่งนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีโทมนัตไม่มีความคับแคบใจไม่มีความทุกข์ใจที่ไ้การรู้แจ้งเขียนจริงในอริยสัจสี่นั้นเราจะพึงสังเกตได้ในขณะที่จิตของเราได้ผ่านการพิจารณาอะไรลงไปแล้ว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 ถ้าสิ่งได้ผ่านเข้ามาถ้าจิตไปยึดมันก็เกิดความยินดีความยินดีนั้นเป็นกามะตัญหาถ้าจิตไปถ้าจิตไปยินดีในสิ่งนั้นก็เป็นกามาตัญหาถ้ายึดในสิ่งนั้นก็เป็นภวะตัญหาถ้าหากว่าจิตไม่พอใจในสิ่งนั้นคือเบื่อไม่ยินดีเป็นการยินร้ายก็เป็นวิภ ว, ว, วะตัญหา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 อยู่ในระดับขั้นอุปจารสมาธิเราจะู้เวทนาเป็นสุขคือสุ ข, ขเวทนาเพราะจิตในเมื่อมีเครื่องกำหนดกำหนดโล่กายกายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องโลของจิตเป็นเครื่อง ร, องรองละลึกของสติทำให้เรามีสติดีขึ้นในเมื่อมีสติประครับประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้จิตก็ย่อมมีอาการสงบลงไป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 การพิจารณาความเป็นธาตุสี่ในเบื้องต้นให้ได้เฉพาะกายคือเรากาหนดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในตอนนี้เราจะรู้สึกว่ากายของเรามีอยู่ในตอนตน้ตนต้นเมื่อจิตพิจารณาการพิจารณาความเป็นธาตุสี่ในเบื้องต้นให้ได้เฉพาะกายคือเรากาหนดธาตุสี่ดินน้ำ ลมไฟในตอนนี้เราจะรู้สึกว่ากายของเรามีอยู่ในตอนตอน้ตนๆเมื่อจิตพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟละเอียดลงไปถึงขนาดที่ว่าจิตมองเห็นกายเนี่ยสลายตัวไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วก็หายสาบสูญไปจิตยังเหลือแต่ ความนิ่งว่างสว่างในตอนนี้จิตมันทิ้งวัตถุคือธาตุสี่ไปแล้วแล้วจิตจะไปอยู่กับวิญญาณธาตุและอากาศธาตุความว่างเป็นอากาศธาตุู้เป็นวิญญาณธาตุตอนนี้เราพิจารณานามนามก็คือตัวจิตที่รู้อยู่ จิตรู้อยู่เฉพาะตัวก็เป็นนามถ้าหากในขณะนั้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านเข้ามาเป็นเครื่องรู้ของจิตก็เป็นนามเพราะมันไม่ใช่วัตถุเพราะฉะนั้นการพิจรารณาธาตุสีเนี่ยถ้าพูดเฉพาะแต่ธาตุสี่ก็ต้องพิจารณาเฉพาะดินน้ำลมไฟถ้าพิจรารณาธาตุหกใช้คําว่าพิจรารณาธาตุหกก็ต้องพิจารณาดินน้ำลมไฟ อากาศวิญญาณธาตุทั้งหมดที่มันมีหกในปรธาต์ดินน้ำลมไฟดับไปแล้วอากาศสถารวิญญาณแนละธาตุมันหายไปคำว่าอากาศไม่ใช่ลมเป็นช่องว่างในจิตในตอนนี้ในเมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วมันจะมองเห็นดต่วความว่างเปล่าีนตอนนี้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วนักภาวนา ้าสติไม่ดีไปหลงความว่างจะกลายเป็นโอภาษนิมิตเป็นวิปัสณูปะกิเลศท่านให้กำลดโลลงที่เจ็ด ต, ตัวู้รู้ถ้ากำลดจิตตัวผู้รู้ได้อย่างแน่วแน่จะไม่หลงความสว่างหรืออากาศสกาดนั้นในปัญหาข้อที่สองในการพิจารณาอสุภะ ในขณะอุปจารสมาธินิมทีปรากฏถ้าหากไม่ใช่กายของตัวเองจะได้ผลของการพิจารณาหรืออยู่อย่างนี้เราพิจารณาสุภาพกรรมฐานเราเกิดภาพนิมิตขึ้นมามองเห็นคนตายหรือสัสตว์ตายอยู่ต่อหน้าแล้วร่างอันนั้นมันก็เคลื่อนเอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของมันในที่สุดต้องสลายตัว ก็เป็นอบายอันหนึ่งซึ่งทำให้เราได้สติได้ความรู้ทีนี้ในเมื่อในตอนแรกๆนี่จิตของเราอยู่ในอุปจารสมาธิเราจะมองเห็นนนมิตรภายนอกตัวของเราแต่เมื่อจิตดูภาพนิมิตรข้างนอกโลซึ่งเห็นจริงแล้วจิตจะน้อมเอาสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเองโดยอัตโนมัติ ในเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาเปรียบกับตัวเองใกล้ๆก็ว่าสิ่งนั้นมันกระโดดเข้ามาในตัวเรานี่ยนี่ประสบะการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเหมือนกับสิ่งนั้นกระโดดพับเข้ามาที่ตัวเราพอถึงตัวเราแล้วหายไปพอหายไปแล้วจิตเปลี่ยนสภาพแสดงการออกกระโดดออกจากกายแล้วก็ไปส่องแสงสว่างลงมาดูกาย แล้วก็จะมองเห็นกายนี่เน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันจนถึงขนาดว่ากระดูกแลกละเอียดเป็นผงแล้วก็หายไปในพื้นดินลงผลสุดท้ายพื้นดินก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นในโลกนี้มีจิตของเราดวงเดียวซึ่งอันนี้จิตมันจะปฏิวัติตัวของมันไปเองโดยธรรมชาติแต่ที่มันจะเป็นไปอย่างนั้น ก็อาศัยการพิจารณาในขั้นอุปจารสมาธิเป็นแนวนำไปก่อนแม่เรื่องวิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันในเมื่อจิตมาพิจารณาอาสุภกรรมฐานนี่ในขั้นสมาธกรรมฐานนี่จิตมันจะรล้เห็นอสุภในมิตได้อย่างชัดเจนและการพิจารณาอาสุภกรรมฐานนี่เอง ในเมื่อจิตมีพลังแก่กล้าขึ้นมันจะกำหนดเอาเรื่องของนี่ไปเป็นภูมิวิปัสสนากรรมาฐานเพราะถ้าสมมติว่า <c oughs> มันเห็นนิมิตอยู่ข้างนอกความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นเช่นเห็นคนตายมันเปลี่ยนมาเป็นขื่นอืดมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็เนื้อหนังผุพังไปกระโหลกสลายตัวไป ถ้าจิตมันรู้อยู่เพียงแค่นี้มันเป็นภูมิของสมถกรรมฐานแต่ถ้าจิตมันไปกำหนดหมายว่าร่างนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันไม่คงทนมันไม่ถาวรากฏขึ้นแล้วก็สลายตัวไปถ้ามันกำหนดอย่างนี้มันก็กลายเป็นวิปัสสนากรรมฐานในตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่ในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วขอให้มีเครื่องรู้เครื่องเห็นกองจิต ให้จดจ้องดูอยู่อย่างนั้นไอเรื่องนิมิตนี่มันจะเป็นนิ่งอยู่ในสภาพเดิมตลอดเวลาไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนอย่างน้อยมันก็ต้องหายไปถ้ามันไม่เปลี่ยนก็ต้องหายไปบางทีนิมิตใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกนี่เป็นธรรมชาติของจิตซึ่งมันเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติถ้าหากว่า ในการพิจารณาสุภาษในขณะอุปจารสมาธินิมิต ท, ที่ปรากฏขึ้นหากไม่ใช่กายของตัวเองจะได้ผลจะให้ผลของการพิจารณาเท่ากับพิจารณากายของตนเองหรือไม่อันนี้คำตอบก็เท่าเท่ากันกับพิจารณากายของตัวเองเพราะจิตมันรู้ซึ่งในนิมิตนั้นแล้วมันจะเอามาเทียบกับตัวเองอย่างที่อธิบายให้ฟังที่นี้สำหรับแพทย์ ที่เคยเห็นซากศพจนเกิดความเคยชินในการพิจารณาจะเกิดความหดหูใจได้ท่ากว่าคนธรรมดาหรือไม่อันนี้แล้วแต่สภาพของจิตบางทาีในแพทย์ที่ได้ศึกษาเรื่องสรีรวิทยาอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยอนั่งหลับตาพับลงไปมันก็เห็นเพราะเราเคยทำให้จนชินชำนาญแล้ว ถ้าหากจ ะ, จะเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยให้เอาสิ่งที่ท่านทั้งหลายเคยศึกษามานั้นหละไม่ต้องมาว่าตามลำดับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกบางท่านอาจจะถูกอาจารย์สั่งให้เอาหัวใจไปวิจัยบางท่านอาจจะถูกสั่งให้เอาเนื้อเอาเอ็นเอาส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งไปวิจัยคนลเชนส่วน ใครมีความชำนาญในการวิจัยอะไรก็ให้เอาอ น, นันมาพิจารณาในตอนแรกๆนี่เราอาจจะน้อมนึกตามสัญญาที่เราเคยเรียนเคยรู้เคยเห็นมานั่นแหละเป็นแนวทางซะก่อนแล้วพิจารณาบ่อยๆเข้าจิตมันจะเกิดความสงบขึ้นมาในเมื่อมันสงบขึ้นมาเพียงด้วยการพิจารณาอันเดียวเท่านั้นแหละเพราะอาศัยความรู้สัญญาเป็นมูลฐานอยู่แล้ว มันจะปฏิวัติโฟมความรู้ไปรู้เห็นหมดพั่วทั้งกายถ้าสามารถเพ่งพิจารณาในภายในนี่ได้เนี่ยสามารถเพ่งดูหัวใจปอดตับอะไรต่างๆอวัยวะภายในนี่จนกระทั่งจีจสงบเป็นสมาธิเกิดนิมิตขึ้นมานึกถึงหัวใจเห็นหัวใจเนึกถึงปอดเห้นปอดเนึกถึงตับเห็นตับนึกถึงอะไรเห็นนั่นขึ้นมาเป็นนิมิตแล้วทีนี้ใายหลังม เมื่อท่านตรวจโรคถ้าหากสามารถเข้าสามาธิได้เร็วเพียงแค่กำหนดจิตแท่งลงไปสมมติว่าเขาเป็นอะไรที่ปลอดกำหนดจิตแท่งลงไปพอจิตสว่างแล้วจะมองเห็นลายในปอดของคนไข้นั่ น, นว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ครูบาอาจารย์เคยใช้มาแล้วแม้แต่หลงอาตมาเองก็เคยใช้ตรวจโรคตัวเอง สมัยที่เป็นวันโลกเนี่ยทำสมาธิเพ่งดูปอดของตัวเองแล้วมันไปเห็นแผลอยู่ขั้วปอดเพื่อเป็นการทดสอบให้มันได้ข้อเท็จจริงก็ไปฉายเอ็กซเรย์ ray. สายเชลเอ็กซเรย์แล้วมันก็ปรากฏว่าเป็นเป็นจุดโตขนาดเหรียญสลึงอยู่ตรงขั้วปอดสองอันตามความจริงที่มองเห็น สําหรับการตอบปัญหาข้อนี้ก็ยุติเพียงแค่นี้ปัญหาต่อไประหว่างการพิจารณากายกติให้เห็นเป็นพระไตรลักษ์หรือเป็นธาตุสถือว่ากำลังเดินในอรยิยมรรคหรื อ, อยังการพิจารณานี่บริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาก็ดีพิจารณาธาตุสี่ก็ดีพิจารณาพระไตรลักษ์ก็ดี เป็นการเดินอริยมรรคเป็นการปรับปรุงปฏิปทาข้อปฏิบัติเดินในแนวทางของอริยมรรคแต่ในขั้นนี้เป็นแต่เพียงการปรับปรุงตกแต่งข้อปฏิบัติเท่านั้นในเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปรวมเป็นหนึ่งเสนสมาธิปัญญารวมลงเป็นจุดเดียวกันที่จิตเป็นหนึ่งสมเดวัต จิตไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมได้อันนี้เรียกว่าการประชุมพร้อมของอริยมรรคการประชุมอริยมรรคนี่มีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธินิ่งโดยไม่ไหวติ้งเกิดความสว่างสวัยขึ้นมาเป็นจิตที่มีพลังเที่ยงแต่มีพลังคือมีกำลังสามารถทรงตัวอยู่ได้ในในสภาพปกติ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 และความรู้สึกในขั้นนี้แม้รู้เห็นอะไรขึ้นมาภายในจิตจิตจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคืออะไรสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆอันนี้คือลักษณะของธรรมะของจริงเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติในขั้นละเอียดทีนี้ในเมื่อ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 ต้องปฏิบัติให้มันรู้เห็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับบ่อยๆเข้าทีนี่ในเมื่อจิตมีสิ่งรู้คือเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวทเมื่อมีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาความรู้สึกนี่มันจะค่อยปฏิวัติไปสู่ภูมิแห่งพระไตรลักษณ์มันจะกาหนดรู้ความเกิดดับเกิดดับนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเมื่อมันไหวตัวพับเกิดความคิดขึ้นมา มันจะเกิดความรู้กันมาว่าอ๋อสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี่หนอนี่จึงจะเกิดเรียกเรียกว่าภูมิปัสฉลามันเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะเลิกว่าอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นอนัตตาเลิกจนตลอดวันย่างค่ำและอาการแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นในจิตตลอดวันย่างค่ำ แต่จิตของเรายังไม่ยอมรับกบภาพความเป็นจริงคือยังไม่ยอมรับกบภาพสิ่งเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้จะเห็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ก็าตามจิตยังไม่ถึงขั้นวิปัสนาวิปัสนาคือความเห็นแจ้งจิตรู้อะไรหายสงสัยในสิ่งนั้นเช่นเห็นไฟนี่คือแสงสว่าง ทีนี้ไอ้การกำหนดสมถ า, าวิปัสนานี่อาตมาขอกำหนดเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆอย่างนี้วิปัสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงเอากันอย่างนี้ดีกว่าเช่นอย่างเรากำหนดจิตทำสมาธิลงไปนิ่งครับความนิ่งของจิตเป็นสมาธิคือสมถะรู้ว่าจิตเป็นสมาธิคือวิปัสนา เพราะเราหายสงสัยในข้อที่ว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นการกำหนดวิปัสนานี่เราควรจะกำหนดวาระที่จิตสามารถแก้ไขปัญหาข้อข้องใจให้ตกไปด้วยความรู้จริงเห็นจริงอเ น, นอกสณะความรู้นี่แม้จะเกิดขึ้นมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าจิตยังไม่ตัดสินวิปัสนานไม่เกิด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 มันจะไปหลงความรู้หลงนิมิตข้อที่สองจิตที่เป็นถีติโพตังเป็นโลกฎตระจิตหรื อ, อยังขั้นมากหรือผลถีติโพตังถีติแปลว่าตั้งอยู่โพตังแปลว่าความเป็น จิต ท, ที่ผ่านการพิจารณาสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีในเมื่อจจตโลกแจ้งเห็นจริงแล้วจิตจะมีลักษณะนิ่งเด่นอยู่เฉยๆถ้าเห็นโลกจิตก็นิ่งเด่นอยู่เฉยๆความนิ่งเด่นอยู่เฉยๆของจิตนี่ไม่หวั่นไหวตามอาการความเปลี่ยนแปลงของสิ่งรู้อันนี้เรียกว่า ถีติคือความตั้งอยู่สิ่งที่รู้ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือภูตังถ้าโพูดถึงว่าโพมความูลขั้นนี้ถึงขั้นโลกุตตรืถึงทั้งโลกุตตะละจิตถึงทั้งโล ก, กียะจิตโพมความโลนี่เราสามารถที่จะโลได้ จ, ดจนกระทั่งถึงภูมิของพระอรหรันต โลกีโลกฎตะละขั้นกำหนดเอาความเป็นของจิตเจตู้แล้วเช่นอย่างว่าเจตู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอย่างที่ท่านอัญญาโกณทัญญารู้ทำในเมื่อเมื่อู้แล้วยอมรับสภาพความเป็นจริงสามารถตัดสังโยช์ได้ในเมื่อตัดสังโย์ได้ภูมิเจตก็ขึ้นสู่โลกฎตละ แต่โพมโลเนี่ยโพมโลเนี่ยเป็นได้ทั้งโลกีในโลกุตละแต่ความเป็นนี่เรากําหนดเอาความเป็นของจิตเป็นสําคัญลักษณะการพิสูจน์ความเป็นพระโสดาบันนั้นหนึ่งมีความรักตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความมั่นคงในข้อวัดปฏิบัติของตนไม่ทอถอยรับฟังมติของผู้พูด เรีกว่าฟังได้ใครพูดผิดก็ฟังได้พูดถูกก็ฟังได้ไม่คัดค้านถ้าคัดค้านเห็นเข้าข้างตนเรียกว่าสกายะทิฏฐิถ้าปฏิเสธก็เรียกว่าเข้าข้างตนเป็นสกายะทิฏฐิเพราะฉะนั้นใครพูดมาฟังได้ถูกผิดพระโสดาบันพิจรารณาเอาเองแล้วเก็บไว้ในจิตนในข้อที่สในการเจริญสมาธิ ถ้าหากไม่พิจารณาไตรลักษณ์และความเป็นธาตุสี่ก่อนจิตจะข้ามไปเกิดปัญญาเป็นถีติภูตังได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัยอัตมาขอฝากอันหนึ่งไว้ให้ท่านทั้งหลายในฐานะที่ท่านเป็นหมออย่างเวลาคนโูกวางยาสลบเนี่ย พอเขาฟื้นขึ้นมาแล้วขอได้โปรดถามว่าในขณะที่สลบไปนั้นจิตเป็นอย่างไรทางโรงพยาบาลโคราชอัตมาพิสูจน์แล้วได้ได้มาสอย่างอย่างหนึ่งพอสลบลงไปแล้วคนไข้มื่ิดมิ ด, มดไม่รู้อะไรอย่างที่สองเมื่อเมื่อสลบลงไปแล้วติดออกจากร่างไปลอยเด่นอยู่เฉยเฉยไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่างที่สาม พอสลบลงไปแล้วเจ็ดลอยออกจากล่างไปลอยเด่นอยู่ย้อนมองมาดูกายที่หมอทําอะไรอยู่นั่นรู้เห็นหมดในที่สุดมองเห็นร่างของตัวเองเป็นโครงกระดูกเพราะฉะนั้นการพิจารณาเจริญ เ, เอ๋เนี่ยการจเจริญสมาธิหากไม่พิจารณาพระไตรลักษณ์หรือความเป็นธาตุสี่ก่อนจิตจะข้ามเกิดปัญญาเป็นขีติผููตั้งไล่หรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปานิษย์ใ บางท่านพอภาวนาพุโทโธพุโทโธพุทโธจิตสงบลงไปแค่อุปจาระสมาธิแล้วก็เดินวิปัสสนาไปพูดๆเลยไม่ต้องลำบากท่านผู้นั้นมีอุปนิสัยแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ใดภาวนาทีไรแล้วจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้ขึ้นมาสักทีในที่สุดนิ่งๆแล้วมันเบื่อต่อความนิ่งมันเกิดเป็นจิตหดหูอันนี้ให้พิจารณากายยกตาสติหรือธาตุสี่ เพื่อเป็นการปลุกจิตให้มีกําลังทีนี้ถ้าหากว่าถ้าผ่านการพิจารณาธาตุสีไปแล้วไปเกิดปัญญาอย่างละเอียดขั้นถีติภูตัง น, นั่นนานเข้าจิตมันจะอ่อนกําลังลงนะในเมื่อจิตมันอ่อนกําลังลงแล้วมันจะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้กลายเป็นจิตหดหูต้องย้อนมาพิจารณาธาตุสีอีกเพราะฐานสตินี่คือกายเป็นประการสําคัญที่สุด เวทนาจิตทำเป็นนามมาทำถ้าจิตไปรู้แต่นามเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปไม่ได้กล่าวถึงโลกพลังของจิตมันจะลดกำลังลงในที่สุดสมาธิก็จะหายปัญญาก็จะเสื่อมยิงจําเป็นต้องถ้าสังเกตดูว่าจิตมันมันไม่ค่อยเดินหรือไม่ค่อยมีความรู้หรือมันไปลักษณะหดผูต้องย้อนกลับมาพิจารณากายทันที โดยการพิจารณาอสุภะก็ได้พิจรารณาธาตุสี่ก็ได้แต่ถ้าหาว่าจิตผ่านไปถึงขั้นที่มันไปกาหนดรูนามแล้วควรจะย้อนมาพิจรารณาธาตุสี่เพราะการพิจรารณาธาตุสี่เนี่ยมันทำให้จิตรู้เห็นความสลายของวัตถุแล้วจะกลายไปเป็นรูนามมารมคือรูกาย ทัดแจ้งแล้วกายหายไปแล้วก็จิตมันก็โลดแต่นามธรรมคือเกิดดับเกิดดับอันนี้แล้วแต่อุปนิสัยถ้าหากว่าท่านผู้ใดพอเริ่มภาวนาแล้วสติปัญญามันเกิดในขั้นวิปัสสนาก็ปล่อยให้มันไปไม่ต้องย้อนมาเล่นสมาถะอีกเว้นแต่ว่าพลังจิตมันค่อยเสื่อมลงแล้วจึงค่อยค่อยย้อนมาเล่นมาพิจารณาวัตถุอีกทีปัญหาต่อไป ผู้ที่เคยเป็นปะโสดาบันหรือสกัตาค า, า, า, า, า, ามีมาแล้วในชาติก่อนๆเมื่อเกิดใหม่เป็นมนุษย์ความเป็นอริยะแต่เดิมจะปรากฏขึ้นเมื่อใดโดยธรรมชาติของความเป็นอริยะก็ปรากฏตั้งแต่บรรโลกโสดาสกิทาค า, ามาจนกระทั่งจิตนี่ละร่างนี้ไปสภาพจิตก็ยังเป็นปะโสดาทาค า, า, าอยู่ เฉพาะตัวรู้ที่อยู่ในจิตแต่อาการต่างๆนั่นยังไม่มีแต่เมื่อมาประสบเหตุการณ์ต่างๆแล้วภูมิความรู้ของพระโสดาสกิธาคาจึงจะค่อยบังเกิดขึ้นแต่นิสัยสัญชาตญาณแห่งการไม่ทำบาปพอเกิดมาแล้วพอรู้เดียงสาขึ้นไปเรารู้จักคำว่าบาปทันที เพราะโภพโสดาสกีภาคาเป็นโลกุตตะละธรรมย่อมไม่มีเสื่อมผู้ที่สําเร็จพระโสดาบันแล้วนี่ถ้ายังไม่สําเร็จอลาหันในชาตินั้นตายไปแล้วมาเกิดอีกชาติหนึ่งสําเร็จอลหันบางท่านมาเกิดอีกสาครั้งสําเร็จอาลาหันแต่บางท่านเกิดจางมากไม่เกินเจดครั้งสําเร็จพระอลหันในลักษณะของพระโสดาบันเป็นอย่างนี้ รลอกตรระธรรมที่ใครถึงแล้วคือความเป็นประสดาบันแม้เกิดอีกเท่าไรกี่ชาติกี่ภพคนน่าทำมันนั้นไม่เสื่อมแต่อาการที่แสดงออกนี่มันหดเข้าไปอยู่ในจิตตัวผุลรในเมื่อมาได้ยินได้ฟังผ่านอะไรขึ้นมานี่ของเก่านี่มันจะผุดขึ้นมาแล้วแสดงอาการรู้ออกมาทันที อันนี้เพื่อจะให้ได้ความชัดที่ว่าความเป็นอริยะแต่เดิมจะปรากฏขึ้นเมื่อไรใครจะทราบได้อย่างไรอันนี้ปรากฏขึ้นได้ต่อเมื่อเริ่มรู้เดียงสาขึ้นมาพอรับรู้อะไรรู้ว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็จะแสดงอาการปรากฏแต่สภ า, าวะความเป็นพุทธะพุทโธขัณฑปโสดานี่ไม่รู้จักเสื่อม ผูท้ทีเคยเป็นโสดาบันในชาตุก่อนข้าเกิดใหม่เป็นเดรัจฉานจะเป็นสัตว์กินเนื้อหรือไม่อันนี้ถ้าหากว่าพระโสดาบันนี่ที่ไปปรากฏว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ดูมันไม่มีในตำรามีแต่ไปเกิดเป็นยักษ์มีเี่เกิดเป็นยักษ์มี แต่ว่าความละเอียดนั้นไม่ได้จดจําทีนี้ถ้าหากว่าธรรมชาติของผู้นั้นเคยกินเนื้อก็ต้องกินเนื้อถ้าหากสมมติว่าปฏิบัติมาโดยไม่ได้กินเนื้อแล้วก็บกรรลุภูมิธรรมภูมิธรรมนนั่นก็ยังสดับสนิทไม่ให้กินเนื้ออยู่แนถ้าเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์มีชีวิตจะมีวิบา ก, กรรม ให้เสื่อมจากการเป็นอริยะหรือไม่ในเมื่อถึงความเป็นอริยะบุคคลแล้วไม่มีทางเสื่อมการกินเนื้อไม่ทำให้ผู้ปฏิบัติทำเสื่อมจากคุ ณ, ณธรรมอันนี้มีปัญหาอยู่ว่ามีบางท่านถามว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นการส่งเสริมปานาติบาตหรือไม่ ทีนี้ถ้าเราจะพิจารณาโดยหลักธรรมชาติของของมนุษย์ในการฆ่าสัตว์เป็นอาหารนี่มีมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วปัญหาเฉพาะหน้าถ้าหากว่าใครสงสัยว่ารับทานเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมปานาติเคิลรับทานลงไปเป็นบาปแต่ถ้าใครไม่สงสัยร่าเชิญรับทานไป อมีหลักพระพิสูจน์จะต้องอาบัติหนึ่งสงหนึ่งต้องอาบัติเพราะแกล้งเพราะแกล้งต้องอาบัติประการที่สองสงสัยแล้วขืนทําลงก็ต้องอาบัติเช่นอย่างสมมติว่าเขาทํากับข้าวมาด้วยเนื้อแล้วก็มาสงสัยว่าเขาแกงเนื้อมนุษย์มาให้เราฉันทั้งทั้งที่สงสัยอยู่แน่นเลย ข้อฉันลงไปแล้วก็ต้องอาบัตทุกกดอันนี้รียกว่าสงสัยแล้วขืนทําลงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปสงสัยถ้าเราเกิดแล้วแวงสงสัยอยู่แล้วเราจะไม่พบความจริงเพราะฉะนั้นตัดข้อข้องใจสงสัยเอาไว้ก่อนอ่าอีกอย่างหนึ่งในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเทศว่าให้ละความชั่วประพฤติความดี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 ถากครจะละ ก, กิเลส้วยความตั้งใจให้ละตามหลักของศีลห้าข้อปฏิบัติศีลหข้อให้บริสุทธิ์สะอาดได้เอวะละความชั่วอย่างเด็ดขาดเพื่อจะเป็นการรักษาความดีอันนั้นไว้ให้มั่นคงในจิตใจท่านสอนให้ทำสมาธิระทํำสมาธิแล้วเพื่อให้ใจตั้งมั่นต่อการประพฤติความดีเรียกว่าเป็นความดี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 เช่นอย่างจะละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยในเมื่อเราทาศีลให้บริสุทธิ์ทาสมาธิให้มุ่งตรงต่อสัมมาสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นมุ่งตรงต่อสัมมาทิฏฐิในเมื่อสามอย่างนี้ประชุมพร้อมกันลงไปแล้วมันก็จะกลายเป็นเจต ส, สิกอยู่ในจิตเมื่อจิตอาศัยคุณธรรมก็ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยมรรคนี่ จิตจะย่อมรู้รู้ว่าการอยู่กับสิ่งนี้มันสงบเยือกเย็นสบาย